พระไตรปิฎกเล่มที่สิบหกพิกุสังยุตประมวลเรื่องภิกษุโกลิตตสูตรว่าด้วยพระโกลิตตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระมหาโมคคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมลีกเล่นอยู่ในที่ส ง, งัดแห่งนี้ ได้เกิดความคิดบริวิตกว่าที่เรียกว่าดุษณีภาพอันประเสริฐดุษณีภาพอันประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรผมได้มีความคิดว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้บรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี้เรียกว่าดุษนีภาพอันประเสริฐเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วอมนั้นบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่กระผมนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญาและมนาสิการอันเกิดร่วมกับวิตกยอมฝุงขึ้นได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาเสด็จเข้าไปหาผมด้วยฤทธิ์ได้ตรัสว่าโมคลานะผู้เป็นพรามอย่าประมาทดุสนีภาพอันประเสริฐ ธอจงรวมจิตตั้งไว้ในดุษณีภาพอันประเสริฐทําจิตให้เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นในดุษณีภาพอันประเสริฐตั้งจิตมั่นไว้ในดุษณีภาพอันประเสริฐต่อมาเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วผมนั้นบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ผู้มีอายุทั้งหลายแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ได้บรรลุความรู้อันยิ่งใหญ่บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงผมให้ถูกต้องควรกล่าวว่าสาวก ผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ได้บรรลุความรู้อันยิ่งใหญ่อุปาติสสูตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวกทีณที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมหลีกร้นอยู่ในที่ส ง, งัดแห่งนี้ ได้เกิดความคิดปริวิตกว่าโสกกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรพันเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารใดสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นยังมีอยู่ในโลกหรือไม่ผมได้มีความคิดว่าโสกกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตไม่พึงบังเกิดแก่เรา เพราะความแปรพันธ์เป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารที่ไม่มีอยู่ในโลกสัตว์หรือสังขารอย่างนั้นไม่มีอยู่ในโลกเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรโสกาปริเทวะทุบโทมานต์และอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะความแปรพันเป็นอย่างอื่น แม้แห่งพระาศาสดาหรือท่านผู้มีอายุโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ผมเพราะความประภันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาแต่ผมมีความคิดว่าท่านผู้เจริญพระาศาสดาผู้มีศักย์ใหญ่มีฤทธานุภาพมากอันตรธานไปแล้ว ถ้าพระองค์พึงดำรงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระอา น, นุนกล่าวว่าจริงอย่างนั้นท่านพระสาวรีบุตรได้ถอนอาหารการมมังการและมนุษยหมดสิ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้น โศกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่ท่านพระสาวรีบุตรเพราะความแปรพันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศดาคตัดสูตรว่าด้วยหมออสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาพประทับอยู่ณพระเจโตวันเกตกรุงสาวัตถีสมัยนั้น ท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะอยู่ในวิหารหลังเดียวกันครั้นในเวลาเย็นท่านพระสาวรีบุตรออกจากที่หลีกเกรนเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าท่านโมคลานะอินทรีย์ของท่านผ่องสายยิ่งนักผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผุดพองเช้ารอยวันนี้ท่านจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียด ท่านผู้มีอายุวันนี้ผมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันยาบแต่ผมได้มีการสนทนาธรรมถามว่าท่านได้สนทนาธรรมกับใครตอบว่าได้สนทนาธรรมกับราผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพ ร, ร, ระภาคนั้นประทับอยู่ณพระเจตวันซึ่งไกลนักท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์หรือว่าพระองค์เสด็จมาหาท่านด้วยฤทธิ์ ท่านพระมหาโมคลานาตอบว่าข้อนั้นไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่ผมมีตาทิพย์และหูทิพย์อันหมดจดเท่าพระผู้มีพระภาคแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีทิปประจักษ์ขูบและทิพประโสตธาตุอันหมดจดเท่าผมถามว่าได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างไรบ้างตอบว่าได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ค้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าผู้ปรารบความเพียรโดยเหตุเท่าไรนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเมื่อทูลถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโกคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่ด้วยตั้งสตยาทิฏฐานว่า เนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที่เถิดผลอันใดพึงบรรลุได้ด้วยเรียวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จกไม่หยุดความเพียรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นอย่างนี้กระผมได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ เปรียบเหมือนก้อนหินเล็กๆที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับคุณเขาหิมะพานชั้นใดกระผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ชั้นนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากเมื่อปรารถนาพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับแลท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนก้อนเกลือเล็กๆที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ชั้นใด เมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ฉันนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชมเชยสรรเสริญยกย่องโดยเอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุพูดถึงฝั่งพระนิพพานผู้ยอดเยี่ยมด้วยปัญญาศีลและอุปสมะคือสารีบุตรนี้แหละพระมหาเทระผู้ประเสริฐทั้งสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาที่เป็นสุภาษิตของกันและกันด้วยประการชนนี้นวสูตรว่าด้วยผู้ใหม่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุนวกะผู้บวชใหม่รูปหนึ่งกลับจากบินทบาท หลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปอย่างวีหารมีความขวนขวายน้อยนิ่งเฉยอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทำจีวรครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบลำดับนั้นพระภูมิพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าจริงหรือไม่ ภิกษุนั้นกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ทํากิจของตนลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้ความคิดบริวิตตกทางจิตของภิกษุนั้นจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าโทษภิกษุนี้เลยภิกษุนี้มีปกติได้ฌานสี อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อาศัยอธิจิตตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุ ข, ขสัสดาครันตรัสวยากรณภาสิณนี้แล้ว ได้ตรัสขถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลปรารบความเพียรย่อหย่อนกำลังน้อยไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ส่วนภิกษุหนุ่มรูปนี้เป็นอุดมบุรุษชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วส่งไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้าย สุชาตสูตรว่าด้วยพระสุชาตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นากรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสุชาตะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอยพระเนรเ็นท่านกำลังเดินมาแต่ไกลแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรนี้ย่อมงามด้วยสมบัติสองประการคือมีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักและประการที่สองได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งปรงมจันย์คือบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า ภิกษุนี้งามด้วยใจที่ซื่อตรงเป็นผู้หลุดพ้นรากได้แล้วดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายละกุลตกะพัทิยาสูตรว่าด้วยพระละกุลตกะพัทิยา พระลกุลตกาพัททิยะเป็นภิกษุชาวเมืองสาวัตถีแควนโกศลซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัทัคคะคือเป็นเลิศทางด้านมีเสียงไพเราะสมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระลากุลตกาพัทิยะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านกำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้มีผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูเตี้ยเป็นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายดูแคลนที่กำลังเดินมานั้นหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุนั้น มีฤทธานุภาพมากอันหนึง่งสมบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายและเธอได้ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคตรัสคถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายจำพวกหงส์นกกรเรียนนกยูงช้างเนื้อปานทั้งหมดย่อมกลัวราชสี ความสมดุลกันทางกายไม่มีฉันใดบรรดาหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์นั้นไม่เหมือนคนพาลซึ่งถือกายเป็นใหญ่วิสาขาสูตรว่าด้วยพระวิสาขา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระวิสาข์ปัญจารบุตรได้แสดงธรรมีกถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสลักสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยนับเนื่องเข้าในวาจาหมายถึงวาจาที่นับเนื่องในสัจจะสีไม่อิงอาศัย ในที่นี้หมายถึงไม่อิงอาศัยวัตตะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังศาลาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดที่แสดงธรรมีกถาแก่พวกเธอประกอบด้วยวาจาไพเราะเป็นต้นนั้นกราบทูลตอบว่าภิกษุรูปนั้นคือท่านพระวิสาขะปัญจารบุตร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระวิสาขะปัญจารบุตรมาตรัสชื่นชมและตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายจะไม่รู้จักคนผู้ไม่พูดว่ามีเชื้อเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตแต่ยอมรู้จักคนผู้พูดผู้แสดงอมตะบทบุคคลพึงกล่าวธรรมะพึงยังธรรมะให้โชดช่วง ถือเอาธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาสิทิ์เป็นธงชัยธรรมะนั่นแลเป็นธงชัยของฤาษีธงชัยของฤาษีในที่นี้หมายถึงโล ก, กุตระธรรมเก้า 9, ได้แก่มรรสีผลสีและนิพพานหนึ่งนันทะสูตร ว่าด้วยพระนันทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระนันธาผู้เป็นโอรสของพระมาตุชาของพระผู้มีพระภาคคือเป็นโอรสของพระเจ้านาพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระพักินีของพระนางสิริมหามายาครั้งนั้น ทันพระนันทาหอมจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาทมีสีใสเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทาข้อที่เธอหอมจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาทสีใสนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา ข้อที่เธอเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดและไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายอยู่อย่างนี้จึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรทัทธาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นนันทากอยู่ป่าเป็นวัด นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดอย่างอัตภาพให้เป็นไปด้วยโภชนะที่รักนกันไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายต่อมาท่านพระนันท์ได้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดและไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายอยู่ สัตสูตรว่าด้วยพระติศสัตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระติศสัตผู้เป็นโอรสของพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคเข้าเฝ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลั่งน้ําตาอยู่หน้าที่สมควรลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ติดสะทำไมเธอจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลั่งน้ำตาอยู่เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายได้รุมว่ากล่าวเสียแทงข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นติดสะเธอนั้นเป็นผู้ว่ากล่าวเข้าฝ่ายเดียวแต่เธอไม่อดทนต่อถ้อยคำที่เขาว่ากล่าวข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเข้าฝ่ายเดียว แต่ไม่อดทนต่อถ้อยคําที่เขาว่ากล่าวนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาด้วยและอดทนต่อถ้อยคําที่เขาว่ากล่าวได้ด้วยนั่นแหละจึงสมควรแก่เธอพระผู้มีพระภาตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเธอจะโกรธทําไม อย่ากโกรธเลยติดสักความไม่โกรธเป็นธรรมประเสริฐสำหรับเธอแท้จริงบุคคลอยู่ประพฤติปรงมจันทร์ก็เพื่อกำจัดความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านเทระนามกะสูตรว่าด้วยพระเทระนามกะ ระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเทระนามกะมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสันเสริญการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าหมู่บ้านบินฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่รับผู้เดียวและอธิษฐานจงกรมผู้เดียวครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้าและกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกพระเทรนามกะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอมีปกติอยู่ผู้เดียวกล่าวสรรเสริญอยู่ผู้เดียวเป็นต้นนั้นจริงหรือไม่ทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การอยู่ผู้เดียวของเธอ เป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าด้วยประการใดเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีด้วยประการนั้นเราจะกล่าวการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์โดยพิสดารกว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้สิ่งใดคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็สละเสีย และความกำหนัดด้วยความพอใจในการได้อัตภาพในปัจจุบันก็ถูกกําจัดด้วยดีแล้วการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์โดยพิสดารกว่าเป็นอย่างนี้พระผู้มิพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเราเรียกโนรชนผู้ครอบงามธรรมะทั้งปวงในที่นี้คือขันอยตนะ ธาตุและภพสามผู้รู้ทุกอย่างมีปัญญาดีไม่แปดเปื้อนในธรรมะทั้งปวงในที่นี้คือตัญหาและทิฏฐิละสิ่งทั้งปวงได้แล้วหลุดพ้นแล้วในเพราะธรรมะเป็นที่สิ้นตัญหาว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว มหากัปปินนาสูตรว่าด้วยพระมหากัปปินนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหากัปปินนเข้าเฝ้าถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินนากำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย เธอเห็นภิกษุผู้ขาวโปรง่งจมูกโดง่งกำลังเดินมานั่นหรือไม่ทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะตรัสว่าภิกษุนั้นมีฤทธานุภาพมากอันหนึง่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายเธอได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าในกลางวันดวงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าในกลางคืน กษัตริย์ผู้ทรงเครื่องรบย่อมสง่างามพราามผู้เพ่งชานย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรดด้วยพระเดชานุภาพตลอดทั้งวันและคืนสหาหยกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตธิวิหาริกของท่านพระมหากรรปินาะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเธอทั้งสองกำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุ ผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตธิวิหาริกของพระมหากรรปินะกําลังเดินมานั่นหรือไม่ทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะตรัสว่าภิกษุสองรูปนั้นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอทั้งสองไม่เคยเข้าเธอทั้งสองก็เข้าได้โดยง่ายเธอทั้งสองได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุเหล่านี้เป็นเพื่อนกันมานานและมีความรู้เสมอกันสัตรมของเธอทั้งหลาย เทียบเคียงได้ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วเธอทั้งหลายอันกับปินะแนะนำดีแล้วในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้ส่งไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายพระไตรปิฎกเล่มที่16หสังยุตตนิกายนิทานวัก จบบริบูรณ์